ตีอ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เศษวันหนึ่งตามประเพณีนิยมกันมาตั้งแต่บรโบราณเนอะเป็นพิ ธ, ธีทําบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้วายชนไปสู่โลกหน้าเราสมมุติกันว่าเข้าประดับดิน ในคํานี้นั่นคนแต่ก่อนได้นําอาหารที่หอ่อเป็นหอ่อเป็นหอ่อแล้วไปวางไว้ตามดินเไปวางไว้ตามกําแพงโบสถ์กำแพงวัดเอาไปเข้าไปวัดแล้วไปให้พระกล่าวคําเวีทานให้เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ตามหมู่นั่นเนี่ย วันนี้ต่อมากับพวกกาพวกสุนัขพวกไก่มาแย่งกันกินเนะี่ยอันนี้ท่านจึงเรียกว่าเข้ากระดับดินนั่นแหละมาวันนี้ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไป <c oughs> เพราะาเราไม่ทำกันแล้วแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไร มีก็มีน้อยเต็มทีให้ทานแกกาแกสุนักก็ได้บุญนิดหน่อยไอผู้ตายไปนี่นมันมีทา ง, งันจะวิได้รับนี่ย น, นะการให้ทานที่จะมีผลแก่ผู้วายชนไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าต้องให้ทานแกผู้มีศีลผู้มีธรรมอันดีงามสําหรับในพระพุทธศาสนานี่ ก็ถือกันว่าพระสงฆ์สาวกของพระมุทภาเกาวเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีความเพียรชําระกิเลตันหาให้น้อยเบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันบริสุทธ์พุทธพงการให้ทานแก่พระสงฆ์จึงมีผลมากอุปมาเหมือนอย่าง หมุคคนทำนาทำสวนต้องไปไถต้องคาดต้องทำความสะอาดจะให้มีหญ้ามีอะไรลกลรุงรังแล้วก็จึงไปปลูกข้าวลงในานาได้ข้าวเมื่อมันไม่มีต้นเพืชที่จะเป็นไปแย่งกินอาหารมันมันก็งอกงามเจริญเึินได้เต็มที่คำว่าเนื้อนานั่นเปรียบได้แก่ผู้รับทาน คำว่าการปรับปนหรือการปรับปรุงดินที่นาให้สะอาดให้เรียบร้อยอย่าให้มีตอไม้อย่าให้มีหญ้ามีไรลกลงลังเกียบได้กับผู้รับทานเป็นผู้ทาละสันดานของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่ก <c oughs> ารที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้ทำบุญถวายทาน แกผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างว่านั่นแหละก็จึงมีผลมากเหมือนอย่างเราปลูกข้าวลงในนาที่ปรับปรุงดินดีแล้วนั่นน่ะมันก็ได้เห็นผลเต็มเม็ดเต็มนวยอืมวันนี้เมื่อเราได้สร้างบุญกุศลได้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้เราก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั่นให้แกบรรดาญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาปูญาติตายายญาติมิตรหายสามีภรรยาบุตรตามุตรีตลอดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆแล้วเรายังแผ่กระจายออกไปถึงสปปรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีประมาณถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในฐานะควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เราอุทิศไป นี่เขาก็จะได้รับอนุโมทนาถ้าเราอุทิศสมบูรณเฉพาะจอดจงแต่ญาติพี่นอ้องญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจอนบุญกุศลนี่มันก็เกิดจากเจตนาของดวงคิดนี้เองคิตมีเจตนาอย่างไรบุญกุศลก็อำนวยผลไปตามเจตนา พอผู้อุทิศนั้นนอ้นมันเป็นอย่างัไนเพราะฉะนั้นให้เข้าใจกันไว้การทำบุญอุทิศนี่นะเมื่อหากว่าเรา ม, มีใจกว้างขวางเผื่อแผ่อยากจะอุทิศให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเราก็นึกในใจไปอธิษฐานในใจไปก็ได้หรือว่าพูดออกปากก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนั้นแหละเพราะว่า อำนาจแห่งความคิดความอธิษฐานนี่มันก็มีประสิทธิภาพเหมือนกัน <c oughs> เหมือนอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่ได้บ่บบนออกมาทางวาจาเลยนึกอยู่ในใจบริกรรมอยู่ในใจพิจารณาอยู่ในใจก็ยังสามารถละกิเลสปาพธรรมให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ นี่ความคิดนี่ถ้าคิดให้ถูกทางแล้วมันก็มีอำนาจมีปฏิหารเราคิดอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนอย่างในคขัง้งวุริเจ้านั่นน่มีบ้านหนึ่งลูกชายตายลูกชายน้อยตายแล้วก็เอาไปฝังในป่าชาคนสมัยพวกฝังก็มีพวกเขาก็มีคนหมู่มาก ลุงท่ามาก็จัดทำอาหารในคนใช้เอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพแล้วก็เรียกผู้ตายมากินได้หกวันเจ็ดวันไปเข้าฝันแม่แม่ไม่รักลูกหรือเพราะว่าอากมรักสิทำไมไม่รักถ้าถ้ารักลูกทำไมปล่อยให้ลูกอดอยากอยู่ถึงหกวันเจ็ดวันเพิ่งได รับประทานอาหารวันที่แปดนี้เองเหมือนกันลูกเช่ามาผู้แม่บ้านจึงถามคนใช้เมื่อวานนี้แกเอาอาหารไปให้ลูกของเราไปไว้ที่ไหนคนใช้จึงบอกว่าฉันนำอาหารใส่กระเช้าไปแล้วก็ไปถึงกลางถนฝนตกประาะนั้นแล้วก็พบพระพุทธเจ้าและพระสง์เดินบินดาบาดมา ก็เลยเอาใส่ให้ใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าแล้วเขา ส, งส่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านผู้แม่จึงนึกได้ว่าเออการเอาอาหารไปวางไว้บุญมลหลุมฝังศพนั่นไม่ได้ประโยชน์อะไรลูกก็ไม่ได้กินต่อเมื่อได้ถวายทานในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกและพระอริยสงสาวกทั้งหลายแต่คนใช้คนนั้น เขาก็ไม่ได้นึกคิดอะไรดอก ม, มันเกิดจากเจตนาของผู้เป็นมารดาของเด็กนั้นทำอาหารนี่จาะจงยาไปให้ลูกของตนโดยเฉพะาะดังนั้นเมื่อได้ถวายทานถูกต้องแล้วลบุญกุศลจึงดนบันดาลให้เด็กนั้นได้กินอาหารอิอ่มหนำสำรานดีอย่างนี้นะเนี่ยยกเรื่องราวมาให้ฟังเพื่อ ให้พุทธบริษัทได้เข้าใจว่าการทำมุลอุทิตนี้มันก็มีอยู่หลายแบบอย่างว่ามานันแะแบบหนึ่งให้ทานเฉพาะเจาะจงหรือว่าให้ทานแก่องสาธนาญาติก็ว่าเจาะจงเฉพาะองสาธนาญาติประเภทที่สองได้แก่ทานอุทิตทั่วไปไม่นิยมบุคคล บรรดาศัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในโลกนี้เมื่อได้ทราบข่าวการกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอให้ได้รับอนโมทนาส่วนบุญกุศลนี้แล้วขอให้เป็นสุขเป็นสุยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อสัตว์จะพวกใดมีบาปยังเหลือน้อยแล้วใกล้พ้นแล้ว บุญกุศลนี่เขจะดนบรรดาลแจ้งข่าวให้ผู้นั้นได้ทราบไปโดนจิตโดนใจให้สัตว์ตัว น, นั้นได้ทราบเมื่อได้ทราบว่าเออนี่มีผู้อุทิศสวนกุศลมาให้แกเรา<ม>ก็ผู้นั้นก็ก่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เขาอุทิศไปนั้น <c oughs> สัตว์ตัว น, นั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ก็คพ้นพุกค์พ้นภัยตายไปตามกําลังแห่งบุญกุศลจะช่วยได้เท่าไรอ่าเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเราอุทิศส่วนบุญกุศลทั่วไปไม่ใช่ว่าเราอุทิศส่วนบุญกุศลไปแล้วนั้นพวกเปรตพวกผีพวกอสุรกายทั้งหลายจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญทั้งหมดไม่ใช่นะผู้ใดมีบาปหนาสาหดอยู่ก็ไม่มีทางจะได้รับส่วนบุญกุศล ต้องได้สวยทุกทนทรมานไปอยู่นั้นจนว่าบุญกุศลจนบาป ก, กรรมอันนั้นมันให้ผลเบาบางลงไปใกล้อิพนแล้วนั่นถึงได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ผู้ใจบุญทั้งหลายได้ทําแล้วอุทิศไปดังนั้นะการทําบุญกุศลนี่ให้นึกว่าเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็เพื่อผู้อื่นบ้างอืม ผู้ใดที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลบางคนได้รับไปอย่างที่ว่ามานั้นเนี่ยผู้ใดยังไม่ควรก็ไม่ได้รับให้เข้าใจตามนี้แม้แต่ญาติพี่น้องของเราถ้าหาว่าเขามีบาปหนักอยู่เงี่ยเราทำบุญอุที่ไห้เขาก็ไม่ได้รับอนุโมทนาผู้ใดบาปกรรมมันเบาลงไปแล้วก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นอย่างนี้ บางคนก็อาจจะว่าเอา้าทถางั้นก็จะทำไปทำไมอะ่ะเราทำไปก็หวังว่าจะอุทิศให้แก่ ญ, ญาติพี่น้องผู้ไว้ชนไปอืมถ้ารู้ว่าญาติพี่น้องของเราไม่ได้รับส่วนบุญกุศลอย่างนั้นเราจะทำไปทำไมบางคนก็อาจจะคิดหรือว่าพูดอย่างนั้นก็ได้ก็เราไม่สามารถจะรู้ได้นี่ว่าญาติพี่น้องของเรานั้นจะได้รับส่วนบุญกุศลหรือไม่ได้รับ อย่างงี้นะเพราะนั้นเราทําไปแล้วก็อุทิศไปด้วยเจตนาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายที่ร่วงละไปนั้นเมื่อเราได้ทำได้อุทิศไปแล้วก็ได้ถือว่าเราได้ตอบบุญแทนคุณท่านไอ้ท่านไม่ได้รับนั่นก็เป็นกรรมของท่านเองนี่เมื่อท่านไม่ได้รับแล้วผล บ, บุญนั้นไปอยู่ที่ไหนกลับมาหาเจ้าของเอง ไม่สูญหายไปไหนอืมีว่าตามตำราไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราอุทิศส่วนบุญกุศลไดทั่วทวไปไม่นิยมบุคคลอย่างว่านั่นน่ะเข้าใจว่าคงจะมีละผู้หนึ่งที่มีบาปน้อยใกล้จะหมดกำหมดเวรแล้วมันได้รับอนุโมทนาเมื่อมันได้รับอนุโมทนาแล้วบุญกุศลก็ตกเป็นของผู้นั้นก็ไม่กลับมาหาเราผู้ทำผู้อุทิศไป ถ้าอุทิศไปแล้วสัตว์โลกทั้งหมดนั้นไม่มีใครจะมีโอกาสจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญนั้นบุญนั้นก็กลับมาหาผู้อุทิศไปเป็นอย่างนี้ไม่สูญหายไปไหนเหมือนอย่างเขาฝากเหมือนอย่างบุคคลผู้ฝากพัสดุไปรษนีย์หรือว่าฝากสิงของโดยทางพัสดุไปรษณีย์ไว้แก่ญาติทางไกลอย่างนี้นะ เมือ่อญาตนั้นาญาตที่ไปอยู่ที่อื่นซะหรือลมหายใจจากไปซะอย่างนี้เจ้าหน้าที่พัสดุไปทนียเขานําของไปตามหาตามเลขที่ตามกรอกตามซอยที่ผู้เขียนส่งไปนะตามหาแล้วไม่เจอเลยไม่พบถามใครก็ไม่รู้อย่างงี้เขาก็เอาของนั้นส่งคืนมาเจ้าของเดิมนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจ ของนั้นรัฐบาลเป็นประกันเขารับประกันอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่ถึงผู้รับเขาก็ส่งคืนอันอันบุญกุศลที่เราอุทิศไปก็เป็นเช่นนั้นอืมเพราะฉะนั้นก็การทําบุญกุศลอุทิศเนี่ยเราไม่ต้องเกี่ยงเราทําบุญกุศลเรานึกถึงมหาราชบิดาผู้มีพระคุณหรือวงศาสนายาตครูอุปชาอาจารย์อะไรที่มีพระคุณต่อเรา เรานึกถึงคุณอุปการะของท่านแล้วเราก็ทําบุญกุศลอุทิศกับปัญณาวิบากผลนี่ไปเช่นนี้แล้วถือว่าเราตอบบุญแทนคุณท่านในเมื่อท่านละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ให้เป็นส่วนของท่านไปนี่หวังว่าคงเข้าใจกันมตดนี้จะมาอธิบายถึง เรื่องพุทธภาสิทธิที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าอะโรคยาปรมานภาความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพุทธภาสิทธินี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บอกว่าเป็นแยกออกเป็นสองในในหนึ่งความไม่มีโรคทางกายในหนึ่งความไม่มีโรคทางใจความไม่มีโรคทางกายนั้นคนเราถ้า ร่างกายปาสัสแจกโกครคภัยไข้เจ็บแล้วมันก็ทำการทำงานได้ดีหาเงินหน้าทองก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนก็ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนี่ทำบุญกุศลให้ทานอะไรถ้ า, าก็ร่างกายไม่แข็งแรงจะไปหาเงินหน้าทองก็ไม่ได้อย่างนี้จะเอาอะไรมาให้ทานนะ่ะจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอย่างนี้ก็ไม่มีแรง มีแต่โรคไัรเบียดเบียนอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นคนมีโรคไัรเบียดเบียนร่างกายชื่อว่าไม่มีลาบอันเปิดเป็นอย่างนั้นทีนี้โรคใจโรคใจได้แก่โรคกิเลสโรคแห่งความโลภ ค, ความโกรธความหลงเ ม, มื่อผู้ใดสะสมไปมั่งว่าเข้าไปแล้วจิตใจก็เช่้าหมองขุนมัวมเมื่อใจเศ่้าหมองขุนมัวแล้วก็เป็นทุกข์คนเราน่ะ ถ้าใจเบิกบานผ่องใสอยู่เนี่ยมีความสุขหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใครด่าทอมาก็ไม่โกรธง่ายๆใครกระทบกระทั่งก็ไม่โกรธให้อภัยไปคนใจดีคนใจบุญเป็นอย่างนั้นถ้าคนใจบาปแล้วใครตำหนิตีเตียนนอ้อยหนึ่งก็ไม่ได้โมโหโทษโสขึ้นมาเลยเออขอร้องให้ลำเลก็ร้องให้ไป ไปอย่างนี้เสียใจมากเขาด่าเขาว่าเอานี่แต่ความทุกข์เรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ถือว่ากิเลสนี่เป็นโรคทางใจของคนเราอย่าพาค น, นิ่งนอนใจให้พึ่งพยายามหาหนทางกําจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ในหัวใจนี่ให้มันเบาบางไปโดยลำดับ แล้วเราจะได้รับความสุ ข, สขความสบายใจยิ่งยิ่งขึ้นไปละกิเลสไปได้เท่าใดก็มีความสุขมากเท่านั้นส่วนโรคทางกายนี่ก็แบ่งออกเป็นสองสามประการโรคทางกายเกิดจากผลแห่งกรรมทั่วที่บุคคลทำออกมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอา เช่แต่ชาติก่อนเคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทุกเตะทรมานสัตว์ไปให้มันอดอาหารอดน้ำทุบเตียวเลือดตกยางออกเสียองค์ฆอะไรต่ออะไรไปไม่ถึงกับให้ตายอย่างนี้นะวันนี้กรรมนั้นมันตามมาสนองเอาก็ทำให้ผู้นั้นมันมีโรคภัยอัน ร, ร้ายแรงเบียดเบียน เช่นเป็นโรคเบาหวานได้ตัดแข้งตัดขาทิ้งไปเป็นโรคปอดได้พาทอ้องตัดปอดสวนที่เสียออกไปอะไรหมูนี้นะเดียวว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงหมอบางทีก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยช่วยเหลือไม่ได้แล้วโรคกมโรคเวรแล้วไปอย่างนั้นเนีย่ยพากันเข้าใจถ้าหมอช่วยเหลือไม่ได้แล้ว แสดงว่ามันเป็นโรคกรรมโรคเวรหนลหลังที่ตนได้ทำมาเราก็ต้องอดทนเสวยผลกรรมมานั่นไปอย่าไปโทษใครอย่าไปสาบแช่งใครถ้าไปโทษคนอื่นว่าบาททำให้ตนเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ไปสาบแช่งเขายิ่งได้บาปเพิ่มเทิงเ <ๆ S 1> ข้าไปอีกแต่่งั้นหรือว่าใครมาเบียดเบียนตนในปัจจุบันเนี่ยไม่ถึกงกับให้ล้มให้ตายให้เจ็บให้ปวด ก็ตามก็ให้นึกถึงกรรมนึงเวียนที่ทนนํามาแต่ก่อนงั้นมันต้องมีกรรมต่อกันกับคนผู้นี้น่ะบางทีทนก็ได้เบียดเบียนเขามาแต่ก่อนกรรมนั้นมันก็ตามมาให้เขามาเบียดเบียนทนตอบเอาละต่อจนี้ไปเราก็จะไม่อาฆาตเบียดเบียนต่อบุคคลผู้มาเบียดเบียนทนนั้นเราอาโหสิกรรมให้เลยขอให้กรรมเวีนนั้นหมดไปสิ้นไป อย่าได้ตามไปสนองกันอีกต่อไปอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอเสมอไปล่ะเอะคำเวนนั้นเมื่อเราไม่สร้างขึ้นมาอีกแล้วมันก็เบาบางไปมันก็หมดไปนี่โกกรคคำโรกเวนนะบุคคลจะเว้นอทําให้คำเวนมันระ ง, งับไปไม่ตามสนองนะเราต้องอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วเราต้องให้อภยัยอย่าไปโกรธคนที่มาเบียดเบียนต้น ที่นี้โรคไฟอีกอย่างหนึง่งมันเกิดจากรินฟ้าอากาศเช่นเราดูหนาวมาเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอะไรอย่างงี้นะแล้วดูร้อนมาอา้าวเกิดท้องร่วงบอกไปอย่างงี้นะแล้วดูฝนมาเกิดเป็นไข้เป็นหนาวอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าหมอเขามาวางยาให้ถูกต้องแล้วหายได้เลยโรคเหล่านี้นะ อันนี้เรียกว่าโรคไัยที่เกิดจากฤดูกาลไม่ใช่ผีสางทางแดงที่ไหนมาทําให้อย่าไปเชื่ออย่าไปเล่นหาแต่หมอดูเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วอืมไปมองงัวแต่เล่นแต่หามหมอดูแลโรคภัยมันกำเริบขึ้นอย่างแรงเผื่อว่าหมอช่วยหมอดูช่วยไม่ได้ล่ะจะไปเล่นให้หาหมอยาหมอยามากลัวดูแลที่ไหนในโรคไัยมันขึ้นเต็มขีดแล้ว บางลายก็หมอก็ช่วยไม่ได้เลยเลยตายนี่แหละคนเชื่อมองคลเดินข่าวเชื่อปรลัมปราไม่มีเหตุผลบางทีก็ทำให้คนป่วยตายลงก็ได้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องนึกถึงหมอหมอเท่านั้นจะช่วยได้ถ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วก็หมดอายุสังขานกันไปทีนี้ประเภทที่สามนั้น โรคภัยไข้เจ็บของคนเกิดจากการส่องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆเช่นสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอินของเสพติดทั้งมวลเหล่านี้บุคคลส่องเสงมากๆเข้าไว้แล้วมันจะไปเผาตับเผาปอดเผาเอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไปกัดกระเพาะลำไส้ให้เป็นแผลพอเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาหมู่เนี้ย ก็ทําให้คนเราเป็นโรคเป็นภัยได้เหมือนกันนะโรคภัยเหล่านี้นั่นยากที่หมอจะช่วยได้เพราะว่าเมื่อของเสพติดเข้าไปทําลายตับปอดให้เสียเสื่อมคุณภาพไปแล้วอย่างเนีนะ้แล้วไม่มีใครจะไปเยียวยาได้อวัยวะส่วนสำคัญสุาคัญอย่างนั้นนะ่ะหมอก็ช่วยไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคนเริ่มเป็นอย่างนี้ก็ไปหาหมอเลย บางทีหมอก็พอสุดช่วยได้แต่คันไปเศพของเศพติดเข้าไปอีกก็เอาอีกมีอยู่เยอะแยะคนตายด้วยของเศพติดในโลกอันนี้นะให้ว่าเกือบทุกวันก็ว่าได้ทัศน์เฉลี่ยทั่วโลกนี่แล้วนะมันเปงง็นยางไงเพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้ทางโฆษณาของเขาของเจ้าหน้าที่โฆษณา เขาจึงได้โฆษณาอยู่วันบ่อยชักชวนให้ประชาชนเลิกเว้นของเสพติดในโทษต่างๆนี่เพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยดีเราจะได้ธนุบำลุงชาติศ า, าสนาระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถามวอนยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าคนในประเทศแล้วไปร้อมกันท่องเสพแากของมืนเมาดื่มสุราเอาจนติดองอมแงม สูบกัญชากันจนเป็นไใ้เป็นบ้าไปอย่างนี้นะสูบฟินเทโลอินเข้าไปอย่างนี้ลองวาดมโนภาพดูสิคนเรานันไปติดของเสพติดในโทษแล้วมันจะไปทํางานอะไรได้แบบนี้ไม่มีสติปัญญายไปหาเงินนาทองอะไรร่างกายก็เสื่อมคุณภาพไม่มีกําลังเลี้ยงแรงโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าเข า, ามันเป็นมากๆเข้าไปแล้ว ประเทศชาติบ้านเมืองก็เสื่อมโทรมลงไปาศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พากันเห็นพิจารณาเห็นโทษของเสพติดทั้งหลายดังกล่าวมานี่เพราะพุทธเจ้านะทรงบรญญัติไว้เทียงแค่สุรานี่แหละแต่ว่าสมัยนั้นเข้าใจว่าคงจะไม่มีฟินไม่มีเฮโรอีนอะไรหมดนี้นหะถ้ามีแล้วพระองค์ก็คงบัญญัติไว้ แต่ท่านกล่าวไว้ในวินัยนั้นว่าเมื่อของสิ่งใดสร้างใจกาไปละเมินเมาก็อนุโลมเข้ากับสุราได้เช่นเดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นให้พากันสันนิษฐานดูเช่นบุรีอย่างนี้เมื่อสูบเข้าไปแล้วถ้าสูบมากๆเข้าไปก็เมามเมาเป็นอย่างนั้นก็อนุโลมเข้ากับสุราเหมือนกันนะเป็นอย่างั้น แต่ถ้าไม่เมาแล้วก็ขอบรรเทาพออนุโลมได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าของบุหรี่นี่ก็เป็นของเสพติดถ้าบุคคลติดเข้าไปแล้วมันถุกแน่น้อยกว่าไม่ได้ทีแรกวันละสี่ห้าซองต่อไปวันละสิบวันละสี่ห้ามวนต่อไปมันก็ไปถึงวันละสิบมวนนานๆเข้ามันก็วันละยี่สิบมวนวันละสองวันละสอง บางทีก็หลายกว่านั้นไปอีกคนมีสตางค์นี่ละของเสียผิดนะ่ะมันไม่ใช่อยู่ของเก่านะฟินโมนี้เคยได้สมาคมกับคนสูกผินมาแล้วเหมือนกันเนะี่ยถามว่าเมื่อเมื่อมันติดมากๆเข้าไปแล้วสูบหมดคืนหมดวันก็ไม่ไม่เมาอะ่ะสูบเท่าไรก็อยู่แค่นั้นแหละปานนั้นแหละเล่านี่กเหมือนกันนะดื่มไปจนหมดคืนก็อยู่อย่างนั้นเลย เมาก็เมาอยู่ยงั้นนี่ดื่มได้สนุกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันพิจารณาตามคำสอนของพระเจ้าอย่าตกเป็นท่าของตัญหาของหมูนีมันทำให้ชีวิตเชื่อมโทมนำมาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บนานักประการไอแทนที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้สร้างบุญบรารมีไป เราจะได้สร้างทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทำนุบำรุงวัดวัฒนศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราก็ทำไม่ได้เลยเพราะว่าสุขภาพอนามัยร่างกายสัง้งฐานก็งไม่อำนวยสุขภาพจิตก็เสื่อมโทมเพราะว่าของมืนเมาเนี่มันก็ไปทำลายสุขภาพจิตให้เสื่อมโวมเหมือนกันไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดหาทางบุญทางกุศลอะไรไม่ออกเลย เพราะฉะนั้นผู้ใดเสพของเสพติดบ้างมากแล้วลองสังเกตดูเข้าวัดได้ไหมทาบุญทำทานได้ไหมไม่ได้ผู้ใดออกจากของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนั่นจึงมีแก่ใจทำบุญกุศลเข้าวัดเข้าว่านี่เราก็เห็นกันมาอยู่แล้วเนี่ยผู้ออกได้แล้วก็มีนี่อย่างนี้แหละเห็นเป็นตัวอย่างอยูอย่เนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าไปเอคิดแก้ตัวหรือพูดแก้ตัวว่าอ๋อดื่มไม่มากหรอกกินไม่มากหรอกกินนินดๆหน่อยๆว่างั้นผมไม่เป็นไรมัง้งมันไม่เป็นอย่างนั้นของเหานี้ของเสพติดให้โทษก่อนเนาของมันเสพเสพแล้วซ่องเสพไปแล้วมันติดทีแรกก็ดื่มน้อยๆกินน้อยๆสูบน้อยๆนั่นแหละคันเมื่อนานไปนานไปสูบน้อยๆกินน้อย ๆ, อยๆไม่พอแล้ววันนี้นะไม่เมา ถ้าไม่เมาแล้วถือว่าไม่สนุกนี้ของหมนี่อ่ก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเมาแล้วเออได้ที่แล้วก็เอาละขอเนี่ยงานเข้ามันก็มากขึ้นมากขึ้นแหละน้อยไม่พอไม่เมาอย่างนี้นะมันคือว่าของเรานี่เป็นยาอยู่ถ้าหากว่ากินนินดหน่อยๆนะเป็นยาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นที่คนเรา อเมื่อกินบ้างๆเข้าไปแล้วมันติดนะมันต้องได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขออย่าให้เข้าใจไปทางอื่นไม่เป็นไรเรกเรากินได้น้อยหนึ่งไม่เห็นมันเมาอะไรอย่างเนี้ยจริงอยู่เวลากินได้น้อยไม่เมาแหละแต่นานไปน่ะสิกินมากๆเข้าไปมันเมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราไม่แตะต้องเฉลยน่ะเป็นการดีมากอือเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดอย่างเปิดอกกันนะในโดยฐานอ่ะเราเป็นญาติกันในภาษศาสนา เมื่อมีมองเห็นรูปทางอันใดที่จะช่วยเหลือญาติโยมพุทธบริษัทได้ก็สรรหาเรื่องนั้นมาพูดมาแนะนําให้เห็นโทษเห็นคุณของเสพติดให้โทษต่างๆให้เห็นคุณของการเลิกลด เ, เว้นจากการของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้นเสียงเล่นการมานานมานี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษเหมือนกันออ เล่นอะไรก็สร้างเล่นบัตรเต้นเบอร์เล่นทัวเล่นไพ่อะไรก็ทํำแหละเมื่อเล่นเข้าไปแล้วอ่าทีแรกได้เงินมาร้อยหนึ่งสองร้อยโอ้ถ้าเราไปเล่นอีกมันจะได้เพิ่มอีกเพราะว่าก็ไปเล่นเองกอ้าวได้เงินมาอีกสามสี่ร้อยเท่ดีอกดีใจเอาไปเล่นอีกพอเล่นมานี่เสียแล้วพอเสียก็ไว้ก็เสียใจแล้ววันนี้นะเมว่าเราต้องแก้คืนเพราะว่า ควกกระเป๋าออกไปเงินที่ได้มาหมดไปหมดไ ป, ดไปนั่นเมื่อเงินเงินหมดไปเท่าไรแล้วใจยิ่งเสียไปใหญ่เลยมีอะไรก็ไปขายเอาเงินมาเล่นการพนันจนวอดวายไปมีเยอะแ ย, ะ, ยะนี่ในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวว่าของเสพติดท้งนั้นของมูนี้อยากไปพากันว่าเออไม่เป็นไรดอกเราเล่นนิดหน่อยพอ้อมปากพร้อมคอเท่านี้ดอก อย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อเล่นไปแล้วมันก็อย่างที่ว่ายฟังมานั่นแหละอืมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสมหวังไปได้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละนอ น, นึงก็เพาะหวังออก็เกิดทุกข์เกิดท้อขึ้นมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> อันบุรี่ันี้นะพวกแพทย์ทั้งหลายเขาวิจารณ์กันแล้วคนเป็นโรคมะเร็งข้อสูบุหรี่นี่ก็หลายเปอร์เซ็นต์นะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ่ะ เป็นโรคมาแรงเพราะดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนบุดนี่ก็มีอยู่เยอะแย ะ, ะเป็นอย่างนั้นแต่คนเรามันทั้งหลงรถหลงชาติของมันนะไม่กลัวตายเลยไม่กลัวลำบากลำบนเลยกินมันเถอะเพลอไปตายแล้วช่างมัน อ, อย่าวนะั้นมีบางคนมาพูดให้ฟังว่าไอ้ผัวติดเหล้าเมียอ้อนวอนขอให้หยุดเสียกดเสีย เอออย่าเลยอย่าเลยอย่ามาพูดกับฉันในเรื่องนี้ให้ไอฉันดื่มมันไปนี่แหละตายแล้วก็เลี้ยวไปนะเพราะว่าทํายังไงมันได้ดื่มมันแล้วเออ้าวมันไม่ทันตายแล้วมันเป็นโรคเป็นภัยโรคับโรคปอดมันทนทุกทรมานช่างมันอืมลงลงเลยลงสารภาพลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มัน อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีใครช่วยได้เลยเออเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นให้เอาเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังนี่ไปคิดไปกรองให้มันเห็นด้วยตนเองไอ้ผู้แนะนำนี่ไม่ใช่บังคับให้ละเว้นะเทียงแด้ชี้เหตุผลได้ฟังเท่านั้นแหละ <c oughs> แล้วเอาไปพิจารณาถ้าเห็นสมควรก็เอาตามถ้าไม่เห็นเราก็แล้วไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น คำที่ว่าอะโรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนี่ดังอาธิบายมานี่เนยทีนี้ความมีโรค ก, ก็ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้ น, นเป็นความเสื่อมที่คนเราทารลกใครอันล้ายแรงเบียดเบียนเข้าไปแล้วทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่ แม้จะช่วยเหลือครอบครัวในปัจจุบันก็ไปมไม่ไดเอทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเลยอย่างนี้นะมันมีแต่โกษไม่แต่โทษมีแต่ภัยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเราอยู่ดีๆเนะี่ยอย่าไปเอาโรคภัยมาใส่ตัวของเศรษฐีในโทษนั้นมันเป็นสื่อของโรคของภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันมีผลดีนะเออพี่ว่าช่องเศรษฐีก็ไปแล้วโครคภัยไข้เจ็บหายไป ร่างกายแข็งแรงเออายุยืนยาวนานอย่างนี้เออก็พ อ, พอพอสองพอสองเศษอยู่แบบนี้น่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาแล้วไม่เห็นมีใครมีอายุยืนเลยอะถ้าไม่กดเว้นน ะ, อะนเออเท่องเศษของเสพตีต่างๆเนี่ยก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองอ ะ, อะเป็นอย่างงั้นเพราะฉะนั้นพวกเราได้เป็นชาวพุทธนะ พากันรักษาชีวิตอาภาพร่างกายนี้ไว้เพื่อสร้างบุญสร้างบา ร, รมีให้มันมากขึ้นในตนเมื่อเรามีบุญกุศลมากเท่าใดเราก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าบุญน้อยก็มีความสุขตามน้อยถ้าไม่มีบุญก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันน้อมนาไปพินิิจารณาความไม่มีโรคเป็นยเป็นราบอย่างยิ่งดังแตรงมา เอวังก็มีด้วยพระกาลเชนียะถาวาริวาหาภูราปาริปูเรนติสักรังเอวามิไวตูดินนางเปตานังอุปขะปติอิธิตังปติตังตุมหังกิปัมเมวสมิิเตตูสเพภูเรนตูสังคปา จันโทปนาราโสยะธามริโชติราโสยะทางจันโุสัพพะร้อขเวินาสะตุมันเตมทวันตัสสาอยนทุเขียนเวก กภาวาปิวันทานติเรศกาเนจันวันาปะจยินจันตโรนธมาวันติอันโยวนโสขันมา การโตเวปัสสนานอาการธรรมวิชชาตางอาเยบุเทปัสสนาณะนาคินเยหนุสัเรอาเธรรมเยปัสสนาณะเวรังโกสสเมสุเกย อังเกสังเกปสันนาราควรญาเขติฮานุสเรียนอังารสมิดานังดานตาอังการบุญญาปวัสสีอังการอายจชาวนนจางญาตโอเขติโตขังบาลัง อากาตา t าตาเมธาวิอากาเดวะพุทโธมโนโสมาอากาป t โตปะโมดาติติภาวะตัวซาปะมังการะราขันตัวซาปเดวตา สามัคคูทามโนภาเวนัสานาโซภวันตุเตหะว m นตุสาบามังการาคันตุสาภเววาสัตมัทธมานภาเวนัสานาโซติภวนตุเต ราตุสาพามังกาลาราคันุสาพปริวสาสารังสังฆานุภาเวนะสานานตตนหา